โอกาสพระอาจ า, ยารย์ไพศาลหลวงปกลมพระอาจารย์ยุกิเพื่อนศรัทธาทุกท่านจเจริญทำไม่ชี้และญาติธรรมทุกท่านถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลที่พระเจ้าได้ทรงตรัสรู้ใหม่ๆในยุคนั้นจะเห็นถึงความยากลำบาก ในการที่พระพุทธเจ้าจะเผยแผ่ธรรมเป็นอย่างยิ่งขนาดที่เรียกว่าพระพุทธองค์ได้ทรงพิจารณาแล้วก็เหมือนกับว่าไม่อยากที่จะเผยแผ่ธรรมต่อไป <c oughs> จนกระทั่งอ <c oughs> มีโภมมาลธนาให้พระพุทธเจ้าได้แสดงแสดงธรรมซึ่งที่ว่าบางบางผู้ก็มีปัญญาสูงก็อาจจะสามารถที่จะฟังธรรมบรรลุได้เร็วบางบา ง, บางท่านก็ อาจจะปัญญาน้อยลงก็อาจจะบรรลุธรรมได้ช้าซึ่งต่อมาพระุทธเจ้าก็ได้ทรงแยกเป็นสี่เหล่าอย่างที่เราได้เคยศึกษามาแล้วแล้วก็แล้วก็เลยตัดสินใจแสดงธรรมเพราะว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอรู้แจ้งเห็นแจ้งนั้นเป็นสิ่งที่ขัดแยง้งกับวัฒนธรรมหรือความเชื่อของชาวอินเดียในยุคนั้นเป็นอย่างยิ่ง ในดังที่เราเห็นในประการแรกว่าชาวอินเดียในยุคนั้นก็จะนิยมในการทำอัตตากิเลส ม, มาถายนิโยกเป็นส่วนใหญ่โดยการทรมานตนต่างๆเพื่อที่จะเข้าใจว่าอันนั้นแหละก็คือเป็นการาชําระกรรมของตัวเองให้ลดน้อยลงแล้วก็เป็นที่พอใจของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้อาจะมที่พอใจของพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็จะทําให้ตัวเองลําบากต่างๆนะครับก็เป็นการเพื่อที่จะอให้ตัวเองอกิเลสลดน้อยลงไปด้วยเป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์นะเช่นนั่งนอนบนอาทิ่ที่ลําบากต่างๆบนหนามบ้างนะฝังตัวเองในทรายบ้างนะ ไม่ก็ยืนอ่าเท้าเดียวอชี้ดวงอาทิตย์ะหรือไม่ก็จ้องมองดวงอาทิตย์ต่างๆอบางทีก็อ่ากำมืออจนเล็บทะลุหลังมืออดอาหารอต่างๆมากมายนะเป็นการทรมานตัวเองหรือทําตัวให้เหมือนกับสัตว์ต่างๆนะมีการคานร์เหมือนกับสุนัขหรือเหมือนกับบัวรับประทานมูดคู่ต่างๆมากมาย สิ่งเหล่านี้เนี่ยพระพุทธเจ้าได้ทรงพินาราว่าอันนี้มันมันไม่ไม่ใช่หนทางจริงๆนะได้ทรงเห็นชัดเจนเลยแล้วก็เป็นความเชื่อของคนในยุคนั้นที่เป็นส่วนใหญ่ด้วย <c oughs> อย่างที่ได้เห็นว่าปัญญวคีย์ที่ในสมัยที่มาอุปถาก่าพระองในขณะที่ยังบำเพ็ญเพียรอยู่เมื่อพระองค์ได้ทรงงดฉันอาหารเป็นเวลาสิบเก้าวัน ปัญโยคีก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งบ่า น, นี้แหละเป็นทางที่ว่าพระเจ้าอต้องได้บรรลุธรรมแน่นอนอันเป็นอัตตะคิอลัทธิ น, ธนโยมซึ่งนิยมเป็นอย่างยิ่งในยุคนั้นะแต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงพินานแล้วว่าหนทางนี้ไม่ใช่กลับมารับประทานอาหารใหม่อปัญจโยคีก็เกิดความไม่พอใจเกิดการไม่ยอมรับในการกระทําอ่ากลับมา รับประทานอาหารอีกครั้งหนึ่งเพราะนั่นถือว่าเป็นการปฏิบัติไม่ถูกทางแล้วก็เลยหนีมาอันนี้เป็นความยึดมั่นถือมั่นของชาวอินเดียในยุคนั้นเป็นอย่างยิ่งส่วนการบารุ ข, ขารายการนุโยกก็เป็นความนิยมของชาวอินเดียในยุคนั้นเหมือนกันนะดังจะเห็นว่าชาวอินเดียในยุคนั้นก็จะมีภรรยากันหลายๆคนอยู่มีการ แม้แต่การพูดว่าผู้ดใดไม่มีบุตระผู้นั้นก็อาจจะต้องไปลงลลนรกเพราะถ้าเมื่อมีบุตรก็จะมีความพอใจกันนะแล้วก็สสแสวงหาความสุขต่างๆอย่างเช่นบางทีมีกามีมีสูตรเรียกว่าเป็นสูตรนอกพุทธศาอนานเช่นกามาสูตรต่างๆเป็นต้นะเป็นสูตรแห่งการสเสวยกาต่างๆในรูปแบบต่างๆมากมายะ แล้วบางบางบางบางท่านก็ขนาดที่เรียกว่าเข้าใจว่าเมื่ อ, อสเสพกาบมากๆไปแล้วเน่ยจิตก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบือ่อนายก็จะทําให้อาจิตละจากกิเลสต่างๆได้เองแล้วก็เข้าถึงความพ้นทุกข์ได้ก็เลยตั้งหน้าตั้งตาแสวงหาการเกัดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้จิตเกิดความเบื่อหน่ายนนี่ก็เรียกว่าเป็นไปทางสุดตรงในทางที่เสวยกรรมมากๆในรูปรสกลิ่นเสียงผลทพะธรรมลม ก็เป็นความนิยมของคนในยุคนั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็มีความยากลําบากใ น, ในตรงนี้ว่าจะไปแก้อทิฏฐิแต่และคนที่มีความคิดไปในต่างๆนี้เป็นประการแรกเพราะฉะนั้นในธรรมจักก็เลยทรงแสดงหนทางสุดตรงสองข้างนั้นแล้วก็ในที่สุดก็ทรงสรุปว่าหนทางทั้งสองนั้นไม่ใช่ทางแห่งความพ้นทุกข์มีแต่ทางสายกลางเท่านั้นที่จะสู่ความพ้นทุกข์ไปได้ แล้วทิฐิต่างๆก็ยังมีอยู่มากมายนะเพราะในยุคนั้นก็เป็นยุคของวันณนะวันณะก็คือการที่ยึดมั่นถึงความเป็นวรรณะชาติชั้นต่างๆซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยวรรณะก็มีพรามกษัตริย์แพทย์สูตรนะนี้เป็นวรรณะหลักซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใครอยู่ในวันนะไหนก็อยู่ในวรนนะนั้นนะ แม้แต่ว่ามีการแต่งงานข้ามวั น, นะกันเช่นพามไปแต่งงานกับแพทย์หรือแพทย์ไปแต่งงานกับสูตรต่างๆอันนี้ก็จะกลายเป็นวัรณะซึ่งอยู่นอกวันณะทั้งสี่กลายเป็นชนชั้นที่ต่ำที่สุดนะก็คือจันทานนะเป็นการเรียกว่าลงโทษ แต่แทนที่จะลงโทษพ่อแม่กลับไปลงโทษเด็กนะเด็กที่ไม่รู้เรื่องเกิดมาโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็กลายเป็นจันทานนะจันทานเป็นชนชั้นที่ต่ำที่สุดนะไปไหนก็จะมีในโคตรลังเกียจขนาดที่เรียกว่าถ้าเห็นจันทานแล้วต้องรีบไปล้างหน้าด้วยน้ํานมนะหรือถ้าจันทานไปเข้าบ้านใครแล้วเมื่อออกจากบ้านนั้นก็ต้องล้างบ้านด้วยน้ํานมนะหรืออนะถ้าเรามีอนะสิ่งของเครื่องใช้ นะท่านจันทานมาใช้ของในบ้านเราเช่นจานชามต่างๆเป็นต้นก็จะต้องทําลายทิ้งไปนะต้องคว้างทิ้งให้สิ้หายไปนะโดยเพราะถ้าห้องน้ํานี่ก็ใช้ไม่ได้เลยนะถ้าใช้ห้องน้ําก็ต้องลือทิ้งไปนะเพราะฉะนั้นอันนี้ย่าว่าแต่ในสมัยนะั้นเลยนะแม้แต่ทุกวันนี้ก็ยังปรากฏอยู่นะถ้าผู้ใดไปเที่ยวประเทศอินเดียนะก็จะพบว่าห้องน้ํานี่แทบจะไม่มีนะ ห้องน้ําสาธารณะยิ่งไม่มีใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเมื่อมีการใช้อห้องน้ําแล้วเนี่ยถ้ามีผู้อื่นที่เป็นวรนนะเช่นจันทานมาใช้ก็จะเป็นอัปมงคลกับเขาออื <c oughs> ก็ถือว่าการเห็น <c oughs> หรือการใช้ของร่วมกับจันทานนี่เป็นอัปมงคลไปอย่างยิ่ง <c oughs> อันนี้นะก็เพราะฉะนั้นแม้แต่ในยุคนี้ที่ผ่านมาถึงสองพันกว่าปีห้องน้ำสาธารณะก็ยังไม่เคยมีใช้นะผู้เดียใดที่ไปอินเดีย ก็เรียกว่าถ้าจอดรถแป๊บนึงก็คือหญิงซ้ายชายขวานะก็ต่างคนต่างวิ่งเขา้าชายป่าไปนะผู้หญิงก็ต้องเตรียมเป็นผ้าถุงคล้ายๆผ้าถุงไปนะเพราต้องรู้ไปอินเดียนี่ต้องมีผ้าถุงติดไปนะจะใส่กางเกงนี่ก็ลําบากนะห้องน้ําก็ไม่มีต้องไปกลางอยู่กลางทุกนั่นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นโดยปัญหานี้ว่าชาวอินเดียแม้แต่ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยอยสร้างห้องน้ําไว้ในบ้านเพราะฉะนั้นเวลาปวดขึ้มนมาก็ต้องไป ไปกลางทุ่งนะผู้หญิงก็ไปกลางทุ่งไปถ่ายกลางทุ่งก็เลยโดนขมขืนเงนเยอะนะในยุคผ่านมาเนี่ยยุคปัจจุบันนี่แหละผู้หญิงอินเดียก็โดนขมขืนกันเยอะมากเพราะว่าคนร้ายก็รู้ว่าผู้หญิงนะจะต้องมามาเข้าห้องน้ากลางทุ่งนะก็จะไปขมขืนตรงนั้นนียก็คือ ป, <c oughs> ปัญหาเป็นอย่างยิ่งว่ามันมีมีความยึดมั่นถือมั่นเยอะในอินเดียนะ แล้วความเป็นตัวตนก็เยอะนะพอหลังจากที่ว่าตายไปแล้วนะถ้าหากว่าทำความดีต่างๆก็จะได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าก็คือเรียกว่าเป็นอาตมันนะอาตมันนะมันก็คือตรงข้ามกับความที่ไม่ใช่ตัวไม่ตนนะก็คือมีตัวเป็นตนอยูนะ่ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าเป็นต้นต่างๆเนะพราะนั้นการบารรลุธรรมก็คือได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้านะแล้วก็มีการไป เวียนว่ายตายเกิดต่างๆอีกอันนี้ก็จึงเป็นความยากลำบากที่พระพุทธเจ้าจะต้องไปแก้ทิฏฐิต่างๆเหล่านีนะ้ในความเป็นจริงที่จะให้เขาดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เป็นกระแสที่เชี่ยวกลาดแล้วยังต้องไปต่อสู้กับเจ้าลัทธิต่างๆมากมายซึ่งในยุคนั้นมีมากในยุคที่พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมีเจ้าลัทธิต่างๆมากมาย นะแม้แต่ในยุคนั้นมาถึงยุคนี้ก็ยังมีอยู่นะก็คือภาษาสดาวีละของเขานะซึ่งเป็นเจ้าลัทธิเชนนะหรือลทัทธนะิที่คำพรนะก็คือการนุ่งลมผมฟ้าต่างๆนะอันนี้ก็เกิดในยุคเดียวกับคูณเจ้าเราก็ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ในอินเดียนะที่บางท่านก็ไปแล้วก็ไปเจอเดินมาตามถนนเป็นแถวยาวเหยียดเลย แต่ละคนก็ไม่ได้นุ่งผ้าแม้แต่ชิ้นเดียวนะเดินกันมามากมายนะแล้วก็บางครั้งก็เป็นที่นิยมด้วยเพราะเหมือนกับว่าเออเขาเหมือนกับเป็นการละ ก, กิเลสได้จริงๆแล้วไม่เอาอะไรทั้งสิ้นเลยนะแล้วก็สามารถที่จะดูอาการต่างๆพิสูจน์ได้นะออถ้าเขาเห็นผู้หญิงเขาก็ไม่มีอาการทางกายเกิดขึ้นนะพวกก็เหมือนกับพิสูจน์เขาได้เองเพราะว่าเขาไม่ได้นุ่งล ม, ม เ, ออเขาไม่ได้นุ่งผ้าอะไรเลย นะก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะที่พระพุทธเจ้าจะต้องต่อสู้กับเจ้าระทิ่ตงต่างๆเหล่านั้นนะแต่ด้วยความที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมีอนะพระมหากรุณาธิคุณนั้นยิ่งใหญ่นะก็เลยอนะพยายามที่จะต่อสู้นะในสิ่งเหล่านี้จนได้นะซึ่งเราก็ได้เห็นว่าช่วงเวลาที่ไม่นานนักอนะที่พระเจ้าได้ทรงอเผยแผ่ธรรมในยุคแรก ก็สามารถที่จะดึงผู้ที่มาเป็นผู้บริษัทได้มากมายนะแล้วก็มีผูรหันตามมาอีกมากอันนี้ก็เป็นเครื่องแสดงถึงว่าชาวอินเดียในยุคนั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาอยู่แล้วเป็นผู้ที่แสวงหาความพุนทุกอยู่แล้วหลายหลาคนเช่นปัญญวคีเป็นต้นหรือถ้าเราศึกษาตาหวัดก็จะมี พระสารีบุตรพระโมคคัลนะเป็นต้นนะซึ่งอันนี้ก็พยายามที่จะแบ่งทำอยู่แล้วมีมากมายนะเพราะได้ฟังธรรมที่ถูกต้องเท่านั้นก็สามารถบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วเพราะฉนั้นในยุคแรกๆนี้ผู้เจ้านะที่ทรงแสดงธรรมมีผู้บรรลุธรรมกันอย่างมากมายนะแล้วก็มีผู้ที่เข้ามาบวชกันบรรลุธรรมกันมากมายเพราะในยุคนั้นเป็นยุคที่เรียกว่าเป็นหัวกะทิเลยนะอนะ เป็นผู้ที่แสวงทําอยู่แล้วแล้วก็เป็นผู้ที่ตั้งใจจริงๆเพราะในยุคแรกจรึงไม่มีการบัญญัติพวินยัยใดๆเพราะผู้ที่เข้ามานั้นเป็นผู้ที่ตั้งใจเมื่อตั้งใจก็จะไม่ทําผิดพระวินัยโดยตัวเองจะไม่ไม่ออกนอกแถวบรรลุเป็นพระรหันต์กันมากมายจนในยุคหลังเมื่อยุคที่เป็นหัวกะทิค่อยๆน้อยลงก็จะมียุคที่เรียกว่าเป็นหางกะทิเข้ามาก็คือผู้ที่ไม่ตั้งใจจริง แต่ว่าเห็นว่ามีลาบส ก, กายละเยอะหรือโดยประการต่างๆก็เลยเข้ามาอันนี้แหละก็เป็นการนอกแถวกันจนมีการบัญญัติพวินัยตามมาในยุคหลังๆจากการที่พระเจ้าได้ทรงต้องมาแก้ทิฏฐิต่างๆเหล่านี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยควา ม, มจริงแล้วนะความที่ว่าคนในยุคนั้ น, นมีความยึดมั่นต่างๆเยอะโดยพระวันณะต่างๆนะ ม้แต่การอาบน้ําในทุกวันนี้ก็ยังมีนะในอินเดียเป็นการแสดงถึงวันณะที่ยังยอมรับเอาในวันณะเหล่านั้นกันอยู่ยังมีอยู่ทุกวันนี้นะอแม้แต่การอาบน้ําในทุกวันนี้ก็จะมีบางแห่งที่เป็นเหมือนกับอเป็นแหล่งอาบน้ําสาธารณะก็ยังมีน้ำไหลต้นทางมาปลายทางผู้ที่มีวันละสูงๆก็ไปอาบแถวต้นทางผู้ที่วันละต่าๆก็มาอาบเทไป อ่าไปสายน้ํานั้นนะก็คือรับน้ําจากที่สูงมาก็ยอมรับในสถานะต่างๆเหล่านั้นเนี่ยครนี้จากความที่เรียกว่าจะต้องอ่าแสดงความจริงนะความจริงคืออะไรความจริงก็คือศธรรมความจริงนั่นเองที่ถือว่าไม่ใช่ว่าเป็นแค่พุทธศาสนาเท่านั้นแต่ว่าเป็นศธรรมก็บางทีอาจะกล่าวอะไรอีกครั้งหนึ่งว่าพุทธศาสนานี้ไม่ใช่เป็นศาสนา ใจว่าเป็นสัจธรรมนะสัจธรรมก็คือความจริงในโลกนี้นั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วก็คือใหญ่กว่าภูศาสนาเอกเพราะความเป็นศาสนาก็คือความเชื่อของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความเชื่อในผู้นำหรือในสารดาของศาสนาเหล่านั้นนะซึ่งความจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ว่าเป็นความเชื่อของกลุ่มนั้นเท่านั้นเองนะ แต่ว่าความจริงในพุทธศาสน า, านี้นะไม่ได้เชื่อไปที่องค์พระสัตย์ดาเท่านั้นแต่เป็นการเชื่อไปในพระธรรมที่ตรงแจงออกมานะไม่ได้ต้องยึดมั่นในพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะได้ฟังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเมื่อตถาคตล่วงลับไปแล้วก็ให้อถือพระวินัยนี้เป็นให้ถือพระธรรมนี้เป็นสัตยดาแทนตถาคตนะเพราะฉะนั้นก็คือ ให้ให้ถือพระธรรมนั่นเองเป็นหัวใจหลักของพุทธศาสนานั่นเองซึ่งจะต่างกับศาสานาอื่นๆเป็นเป็นอย่างยิ่งในตรงนี้ขั <c> ้ <oughs> ในการนี้ให้ถื อ, อพระธรรมเป็นหลักนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระธรรมในพุทธศาสนานั้นคือสศรรนมนั่นเองนะ่าสนธรรมนี้คือความจรงิงที่มันจะปรากฏขึ้นกับทุกทุกชนทุกทุกเรา ทุกๆหมู่ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดๆก็แล้วแต่ก็จะต้องตกในหลักธรรมเหล่านี้ทั้งหมดนะสียธรรมนั้นถ้ามีถ้าจัดแล้วเนี่ยก็สามารถสรุปได้เป็นสั้นๆที่เราสวสดอยู่ประจำก็คือพระไตรลักษณ์นั่นเองก็คื อ, อสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตานะก็คื อ, อ สัพเพสังขาราอณิจาจริงๆแล้วคําว่าสังขารานั้นนะในตรงนี้มันไม่ใช่คาว่าสังขารในเพียงแต่ในอขันห้าเท่านั้นนะแต่มันรวมถึงสรรพสินทั้งหลายก็คือสังขารทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นนะก็คือตกในตรงตรงนี้ว่าเป็นอนิจจังทั้งหมดนะสังขารทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นก็ตกอยู่ในทุกขัง สัพเพรำมาทำทั้งหลายก็ตกอยู่ในกฎของความเป็นอนัตตานะเพราะฉนั้นเมื่อเข้าใจในความที่ไม่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วมันสามารถที่จะสุปได้ทั้งหมดเลยว่าธรรมะทั้งหลายก็คือสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสังขารหรือไม่ใช่สังขารก็ล้วนตกอยู่ในอนัตตาคือความที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทั้งหมด อันนี้นี่จึงเป็นความจริงในศธรรมนะซึ่งความจริงในสจธรรมนี้ก็จะไปตรงข้ามกับความเข้าใจความคิดความรู้สึกของชาวเวียนเดียนในยุคนั้นไปอย่างยิ่งจึงว่ามันก็ยากในตรงนี้ที่ว่าจะให้เขาเข้าใจจริงๆว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ต้นของเขานะที่จะไปเสวยความสุขหรือไปอยู่ในภพภูมิใดภพภูมิหนึ่ง ที่มันเป็นความนิจจังนะนะสุขขังหรือเป็นอัตตาในตรงนั้นนะซึ่งเป็นความยากที่จะต้องมาแก้ทิฏฐิเหล่านี้นะในยุคแรกๆนะแต่คราวนี้ถ้าเราศึกษาในตรงนี้แล้วเราก็จะเข้าไปยอมรับในความที่ว่านะทุกอย่างเป็นนิจจังทุกขังอัตตาจริงๆนะเพราะว่าเป็นความที่เราไม่อาจจะหนีพ้นได้ในชีวิตของเรานะ ครนี้นะ่ะจากความที่ตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าอ่าความยึดมั่นถือมั่นของเรามันเริ่มตรงไหนก็คือเริ่มมาตั้งแต่เกิดเลยนะัในความที่ว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนเนี้ตั้งแต่เกิดแล้วมันไม่ได้ว่าเกิดขึ้นมาทีหลังแต่เมื่อเราเกิดขึ้นมาก็คือความยึดมั่นในตรงนี้เกิดขึ้นมาอตั้งแ ต, แต่แรกเลยนะแต่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือกายและใจนี้มันไม่ตัวไม่ตนของเราเพราะฉะนั้นความที่มันไม่ใช่ตัวไม่ตนนี้มันไม่ใช่ว่าต้องมาละตัวละตนในตรงนี้แต่มันไม่ใช่ตัวตนของเราตั้งแต่ตนแล้วไม่ตัวตั้งแต่ตนแล้วเพราะงั้นการปฏิธรรมก็ไม่ใช่ว่าเพื่อการละอัตตาตัวตนแต่อย่างใดแต่เป็นการถอดถอนความเข้าใจผิดในความเป็นตัวตนเท่านั้น เมื่อถอดถอนความเข้าใจผิดในตรงนั้นความยึดมั่นถือมันในตัวตนก็จะหมดไปอย่างแท้จริงคราวนี้ความยึดมั่นของเราเกิดจากอะไรอ่ก็เกิดจากความเข้าใจผิดของเรานั่นเองนะะได้ยกตัวอย่างง่ายๆให้ฟังนิดหนึ่งละกันอะอ่สมมุติว่ามีมีผู้หญิงอคนหนึ่งซึ่งเป็นแม่ไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลคราวนี้อปรากฏว่าก็ มีการคลอดลูกพร้อมๆกันหลายๆคนนะะครา้ น, นี้ก็อกลับมาจากโรงพยาบาลก็เอาลูกมาด้วยะแล้วก็เลี้ยงลูกนั้นมาเป็นเวลาสิบกว่าปีวันหนึ่งก็มีนางพยาบาลมาจากโรงพยาบาลมาบอกว่าอ่เดิชันต้องขอโทษค่ะอ่าเมื่อวันที่คุณไปคลอดลูกที่โรงพยาบาล น, นั้นเดิชันก็ได้อุ้มลูกคุณอไปชั่งน้ําหนักนะ แต่ในขณะที่นํามาส่งคืนก็ไปสลับกับเตียงที่อยู่ติดกันนะซึ่งเขาก็อุ้มไปชั่นนำหนักเหมือนกันนะแล้วเตียงที่อยู่ติดกันก็นําอ่าเด็กนั้นมาสลับมามาเป็นลูกของคุณเพราะฉะนั้นลูกของคุณทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เป็นลูกคุณหรอกแต่ว่าเป็นของเตียงข้างๆที่ติดกันนะซึ่งเตียงข้างาก็สงสัยเหมือนกันว่าเอจะไม่ใช่ลูกของเขาบ้างต่อมาเขาก็นําลูกเข้าไปตรวจดีเออปรากฏว่าไม่ใช่ลูกของเขาจริงๆ นะเพราะฉะนั้นลูกของคุณก็คือลูกของเขาและลูกของเขาก็คือลูกของคุณนะคราวนี้พอเราได้ฟังเช่นนั้นปุ๊บ โ, โอ้เออจริงไหมเนาะมันจะเป็นไม่ได้ไหมเนาะนะเราก็เลย <c oughs> ใช้วิธีเอาเอ า, เอา เ, อาเอาเลือดของลูกเราไปตัวจดีเอเดียที่ไม่บอกให้ลูกเรารู้นะนะก็ปรากฏว่า DNA อเอไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเราจริงจงนะตรงนี้เมื่อเรารู้ว่าไม่ใช่ลูกเราจริงจริแล้วเนี่ย อ่ความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นลูกเรามันก็จะลดลงไปเลยนะลดลงไปอย่างมากเลยแต่ความรักนะ่ะมีอยู่แต่ความยึดมั่นว่าเป็นลูกเราเนี่ยมันลดลงไปแล้วพอเรารู้ความจริงแล้วว่าอ่าเขาไม่ใช่ลูกของเราแล้วถ้าต่อมาอ่าลูกคนนี้เกิดรู้ว่าอ่าเราไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่แม่ของเขาจริงๆะบรรจะกายเป็นคนแปลกหน้าทันทีเลยนะกลายเป็นคนแปลกหน้าไปว่าเออ มันไม่ใช่แม่ไม่ใช่ลูกกันจริงๆเกิดเป็นความแปลกน้าไปนะเพราะนั้นความรักก็มีอยู่แต่ว่าความผูกพันนะความยึดมั่นก็จะน้อยลงไปมากทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่ารู้ความจริงแล้วว่าไม่ใช่ลูกของเรานะซึ่งตอนแรกนะก็เป็นการเข้าใจว่าเป็นลูกของตัวเองก็มีความผูกพันมีความรักเป็นอย่างยิ่งนะลูกเราทำอะไรก็ถูกต้องตลอดดีตลอดนะเป็นความผูกพัน เป็นความยึดมัน่นเต่เมื่อรู้ความจริงไปเรื่อยๆมันก็คลายออกมาเลยนะแล้วถ้าลูกคนนี้เกิดไปสนใจแม่แม่เดิมแม่จริงๆของเขาเขาทิ้งเราไปมันยิ่งตัดความผูกพันอนะความยึดมั่นถือมันแทบจะขาดเลยนะอันนี้ก็เกิดจากอะไรเกิดจากการที่เรารู้ความจริงแล้วว่าไม่ใช่ลูกของเรานะเพราะฉะนั้นอันนี้เมื่อมาเทียบกับตัวเราก็เหมือนกันนะอนะนะความที่เราไปยึดมัน่นอะในความ ว่าร่างกายจิตใจนี้เป็นของเรานี่แหละก็คือการที่เราไม่รู้ความจริงนั่นเองะแต่ว่าจริงๆแล้วพนระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ชัดเจนแล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวไม่ตนไม่ควรถือว่าเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขาก็แสดงในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาให้เราเห็นมาตลอดแล้ว อันนี้นะถ้าเราสามารถที่จะแยกแยะในกายและใจออกมาตรงไหนเป็นรูปตรงไหนเป็นเวทนาตรงไหนเป็นสัญญาตรงไหนเป็นสังขารตรงไหนเป็นวนิญญาณนะมันก็จะความทุกข์ก็จะน้อยลงนะเมื่อแยกมาแล้วตรงไหนมันเป็นเราเนี่ยรูปคือกายมันเป็นเราหรือหรือว่าเวทนามันเป็นเราหรือว่าสัญญามันเป็นเราหรือว่าสังขารมันเป็นเราหรือว่าวิญญาณมันเป็นเรา มันอยู่ที่ไหนมันเป็นเรากันแน่สมมติมีใครก็มาด่าเราเราเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเขาด่าอะไรเรานะเขาดา่ารูปเราหรื อ, อเขาด่าเวทนาเราหรือเขาด่าสังสัญญาเราเขาด่าสังขารเราเขาด่าวิญญาณเราจริงๆแล้วเขาด่าตรงไหนของเราอ่แล้วตรงไหนอ่าที่มันไปทุกข์ในตรงนั้น มันสามารถที่จะแยกมาได้เลยนะมันจะไม่มีตัวตนที่ไปรับในสภาวะความทุกข์เหล่านั้นแล้วนะเมื่อมันแยกมามันตรงไหนของเราล่ะใช่ไหมมันไม่เห็นว่าตรงไหนเป็นของเราทั้งสิ้นเลยนะมันก็เลยหลุดออกมาจากความยึดมั่นนะในความที่เรียกว่าคขมดาเรามันไม่มีตัวเราไปรับแล้วนะมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นความทุกข์ขึ้นมาคราวนี้ถ้ามองไปในตัวของเรานะเออเนี่ย มีครบเลยนะอ่าหูตาอ่ามีหัวมีร่างกายมีอะไรทั้งหมดถ้าเกิดเราสามารถแยกชิ้นส่วนได้ในตัวของเราว่าตรงไหนเป็นเรานะหัวเปงเราไหมตัดหัวมาเลยนะหัวเป็นเราไห ม, ห ม, นะหไหมอ่ามันจะเพาะหัวมันจะเป็นเราได้อย่างไรมันก็คือหัวนะอ่าเอาตัวอ่าตัวไม่มีแขนไม่มีขาไอ้ตัวเนี้มันเป็นของเราไหม มันก็ไม่ใช่เราแน่นอนมันก็เป็นตัวนะแขนเป็นของเรามันก็ไม่ใช่ตัวเรามันก็เป็นแค่แขนขาเป็นของเรามันก็เป็นแค่ขาเมื่อแยกเป็นชิ้นๆอย่างนี้แล้วมันไม่เห็นว่าตรงไหนเป็นตัวเราเลยนะแต่พอมารวมกันปั๊บก็กลายเป็นตัวเราขึ้นมาทันทีนะตรงนี้มันเป็นความเข้าใจผิดของเราตั้งแต่แรกแล้วนะว่าอตรงเนี้ยแม้แต่รูปก็เป็นของเรานะ ยิ่งถ้าเป็นอ่านามมันยิ่งไม่ใช่มีอะไรเป็นของเราทั้งหมดเลยนะเพราะทุกอย่างมันเป็นสภาวะที่ว่าเขาเกิดขึ้นแต่ละขณะแต่ละขณะเท่านั้นนะเราไปรับรู้อะไรมันก็เกิดในตรงนั้นขึ้นมาเราเดินจงกรมอยู่นะขณะที่เดินนะวิญญาณคือตัวรู้ไปรู้การเดินคือรูปนี่ก็คือกลายเป็นรู้รูปเท่านั้นนะนะ รูปขึ้นมาเราก็ไปยึดว่าเออรูปนี้เป็นของเราแต่จริงๆวิญญาณก็คือความรู้มันเป็นรู้การเดินมันกลายเป็นรูปขึ้นมาเท่านั้นเองนะรู ป, รปมันก็คือกลายเป็นกายขึ้นมาว่าเราเดินจงกรมอยู่นะเมื่อมีความอ่าคิดไปนะวิญญาณก็เข้าไปรู้โอ้นี่มันจริงๆมันเป็นความคิดนะมันก็เป็นแค่สังขารเท่านั้นเองมันมีอะไรเป็นของเรามันก็ไม่ใช่ของเรานะก็คือในขณะที่วิญญาณไปรู้รูปเวทนาสัญญาสังขาร อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละเป็นสภาวะที่ปรากฏขึ้นมาในขณะนั้นเท่านั้นเองแล้วมันก็ดับไปไปรู้ที่อื่นต่อลอะอ่เดี๋ยวไปคิดอ่าคิด่ากลับมารู้การเดินเี็กมันก็ออกจากสังขารมารู้รู้อีกครั้งหนึ่งเดินเดินไปปวดเมื่อยรู้รู้จากรูปมารู้เวทนาอีกเนี่ยมันก็เกิดดับวนเบียนแบบนี้งงนตลอดเวลานะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าตรงไหนที่มันเป็นความรู้ที่ถาวรแน่นอนเลยมันก็วนไปใน ขันทั้งห้านี่แหละเดี๋ยวก็รู้รูปเดี๋ยวก็รู้เวทนาเดี๋ยวก็รู้สัญญาเดี๋ยวก็รู้สังขารมันเป็นตัวรู้ที่มันวนไปในแค่อขันทั้งห้านี่เท่านั้นเองนะแต่การที่มันรู้รวมๆนี่แหละเราก็เลยเข้าใจว่าเป็นเราอเป็นเรารู้เป็นเราอเป็นไปทั้งหมดจริงๆแล้วเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วมันจะมีแต่สิ่งที่ถูกรู้และผู้รู้เท่านั้นนะไม่ใช่ตัวไม่ตนทั้งหมดที่มันแยกมาแล้วนะสิ่งถูกรู้ก็สิ่งถูกรู้ ผู้รู้ก็เป็นผู้รู้นะผู้รู้ก็เป็นแค่ผู้รู้ไม่ใช่เราเนี่ยมันจึงแยกมาในตรงนี้ว่ามันก็ไม่ใช่อะไรเป็นแค่รูปและนามเท่านั้นเองนะในสุดมันก็จะเข้าใจถึงว่าจริงๆรูปนามมันก็ไม่มีนะมันก็แค่เป็นอ่ะสภาวะหนึ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปเนาะตรงนี้ถ้าเราเข้าใจในตรงนี้แล้วเราก็จะเห็นว่ า, าปัญญาพุทเจ้านี่ท่านชี้ไว้ยอย่างชัดเจนแล้วนะเพียงแต่เราเข้าไปรู้ความจริงในตรงนั้น มันยังไม่ใช่ว่าเป็นการฏิบัติเพื่อการละอัตตาตัวตนแต่อย่างไรเพราะว่ามันไม่มีตัวตนตั้งต้นแล้วเราเพียงแต่เข้าไปเข้าใจในตรงนั้นแล้วก็ถอดถอนความเข้าใจผิดในความเป็นตัวตนท่งนั้นเราจะพ้นจากความทุกข์ได้เนา ะ, ะก็ขอดูท่านถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยทั่วกันทุกท่านเถิด